แล้วเกิดมาทำไมรอเวลาตายทุกคนอมีค่ายรอดพ้นได้เนี่ยได้เมื่อเพื่อรอเวลาเสียมีเพื่อรอเวลาหมดเจอกันเพื่อรอเวลาจากเจอกันเพื่อรอเวลาจากสากมีเอย๋ยภรรยาต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปแะรอเวลาเดียวคือพระกาจากของเป็นชินลักของเป็นที่ชอบใจเดี ย, ายการทั้งหมดทั้งสิไม่มีโอกาสดีเนี่ยรดด้วยแผ่เมตตาท โปรดได้กรุณาทงสามชื่กนการลกกันอยาาเพียงแค้นคือการเลกันก น, น้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไปอย่าเป็นน้ำเปลี่ยงบนใบบัวน้ำเปรี่ยนบนใบบัวไม่ดีเลยมันไม่เกาะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสักเสือกระสนทนทุลายมันพวงมาลัยไม่มีที่แขวนเสุดส่อสะสะสะให้ยกก้าวตรงนี้ที่เกาะออตรงนี้กเกิดัน ก, ก, ก, กล่าวเลย